บุก <Book> 2ห้าสิบเก้าินดกนที่ทำการไพรษสนียแอนด์โปต์อฟิเซียที่ทำการไพรษสนียที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคือเอสตัสลาเพลย์ปรคลีมาโปสต์อฟิเซ ที่ทำการไปรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมชุมลพร็อมาส post o f f i c o d e t t i e r ตู้ไพรส์ีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน e t a s l p a proxima letter s e ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงเสกัลไกน postmark o i n สำหรับการ์ดและจดหมาย คา่ค า, เเคา ส, งาส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่พัสดุหนักเท่าไหร่ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม ใช้เวลานา น, านเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงคขียมดัตเทมโปเบโซนาตัสคอร์จิอาอัลเวเนาะดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนคิเยมีพอรบัสเทรศัพนี่นนตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคิเยเอสตาสลาเพลย์โปรกซิมาเโทลโฟนบูดอคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ คคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะชูวิมีรับรคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะชะออ ร, รอสรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะมเมนตน์นมิตุยเซร์จส สายไม่ว่างตลอดเวลาลาลิเนโอแอตสโอคูปาตาคุณต่อเบอร์อะไรชคุณต้องกดศูนย์ก่อนวิดเดวัสนูเอล็กตินูน